รรมชชาดกแผ่นที่6ลำดับที่10บโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14มกราคม2556มีชื่อเรื่องว่าม้าขาเป๋วันนี้ คณะสัทธาญาติโยมลูกหลานมีเจ้าภาพใหญ่คือคุณถาวรา่าพ่อบ้านก็นคือคุณอาทิสรคุณอมาราพวงสมภูบริษัทสยามแห่งจํากัดหลวงพ่อเองนานๆจะได้มาในบริษัท เจ้าภาพก็ได้นิมนต์แต่หลวงพ่อก็มีภารกิจบางทีก็พอที่จะมาได้ก็ได้มาถ้ามอช่วงไหนติดภาระที่มาไม่ได้มันก็มีบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็สุขภาพในช่วงนั้นเป็นหวัดเป็นไข้มีเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะนั้นคราวนี้ก็นับว่าเป็นไปได้ ลุงพ่อจึงได้มาร่วมงานในที่เจ้าภาพนิมนต์แต่อย่างนั้นก็เถอะบวชวิดเหมือนกันนะลูกหลานเพราะว่าลุงพ่อได้รับนิมนต์ก่อนหน้านี้หลายอาทิตย์แต่มีจอเข้ามาก็คืองานฟ้าหญิงจะเสด็จ วางศิลาเลกิกเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตามหาบัววันที่30มกราคม56เป็นวันครอบรอบหลวงตามรณภาพอ2ปีพอดีทางสำนักพระราชวังก็มีหนังสือลงไปทางจังหวัดทางจังหวัดก็ได้นัดประชมุมนัดประชุมเพื่อวางแผนรองรับหรือว่าวางศิลาเกิก ในวันที่30มกราหลวงพ่อเองก่อนในฐานะที่ว่าจะว่างใหญก็ไม่ใช่จะว่าเล็กก็ไม่ใช่ก็เป็นลูกของหลวงตาเมื่อมีอย่างนี้ขึ้นมาหลวงพ่อก็ปล่อยทิ้งไม่ได้อีกเหมือนกันหลวงพ่อก็จําเป็นจาใจลงมากรุงเทพจะต้องบินขึ้นไปเมื่อเช้านี่แล้วจานั้นพอประชุมเสร็จตอนบ่ายหลวงพ่อก็ได้ลงมาอีกตอนเย็นอย่างนี้แหละ นี่แหละลูกหลานภารกิจของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์แต่ละท่านละองค์จะไม่ใช่แต่ของหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์เป็นภาระที่จะต้องได้จัดได้ทําเรื่องของพระศาสนาคือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนค่ไม่ให้ขาดตกปกพ่องแล้วก็ประโยชน์ท่านก็ให้ไม่ไม่ให้ขาดตกบกพรองอันนี้ที่ที่บอกกล่าวให้ลูกหลานได้ทราบ เหมือนกับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อยู่ในป่านรงคงไพเหมือนจะไม่มีภาระนะธุระนะแต่ตามไม่จริงมากนะลูกหลานนะนะแต่ถึงอย่างไงก็ได้มาพบมาเจอลูกหลานนะมาเห็นลูกหลานแนละ้วก็พร้อมหน้าพร้อมตากันตรวงพ่อเองก็อุ่นใจนะอุ่นใจกับลูกหลานเพราะว่าลูกหลานทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าก็จะเป็นทรัพยากรหรือว่าเป็นทายาท เป็นทายาทถ้าวปกครอลูกหลานสนใจฝ่ธรรมะถ้าว่าลูกหลานสนใจศึกษาธรรมะถ้าหากว่าลูกหลานมีธรรมะอยู่ในจิตใจลูกหลานก็จะศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของพวกเราพวกเราก็จะได้รับความพร่อมเย็นเป็นสุขเพราะนั้น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 พอได้รับอัดรับรมได้รับฟังหลักเหตุผลจากนั้นก็ท่านพูดเป็นภาษาบาลีว่าสุดมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาคให้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังน้นและก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบ เมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณากั้นคองไตรตรองเหตุและผลก็เกิดปัญญาที่แท้จริงเกิดปัญญาที่ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจได้โดยเด็ดขาดอันนี้เราว่าภาวนามายปัญญาเพราะนั้นสรุปแล้วก็คืออั น, นิี้สงแห่งการฟังธรรมห้าอย่างแล้วก็สุตจินตามายปัญญาภาวนามายปัญญา สรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายอย่าเบื่อในการศึกษาในการฟังทางว่าพวกเราฟังศึกษาไปเรื่อยๆพวกเราจะเข้าใจทำคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากลากหลายสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์จะหยิบยก ตรงไหนเข้ามาอธิบายให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังอย่างปีนี้นะมียัดคณะสัตยาญาติโยมบอกว่าอยากจะได้พรปีใหม่ได้พรปีใหม่จากหลวงพ่อหลวงพ่ อ, อเอาให้ได้หลวงพ่อก็บอกว่าพรปีใหม่ของหลวงพ่อปีนี้ให้ลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมที่รักเมตตาให้เป็นผู้คิดดีทดําดีพูดดีหะ คิดดีคล้ายๆว่าคิดไปในทางกุศลคิดไปในทางสัมมาทิฏฐิการกระทําก็ทําไปในทางสัมมาทิฏฐิถ้าพูดก็พูดไปในเป็นสัมมาทิฏฐิในการพูดอันนี้แหละอันนี้ก็คือพรเบื้องตน้นจากนั้นหลวงพ่อเขว่าให้พวกเรามีทานมีศีลแล้วก็มีภาวนามีทานทานมีอยู่สี่อย่าง หลวงพ่อที่บายว่าทานมีอยู่สี่อย่าอามิสทานคือทานให้อามิตรคือข้าวน้ําโภชนะอาหารเรียกวาอามิชทานวิทยาทานกัอย่างที่คุณเท่าแก่ใหญ่ของเราคุณโยมอามาราที่เป็นแม่พระของพวกเราเนี่ยนะอันนี้ให้วิทยาทานให้ความรู้กับพวกเราสอนวิชาอาชีพให้กับพวกเราอันนี้เราวิทยาทานถ้าพวกเรา มีวิชาอาชีพแล้วนําไปต่อเติมไปทำมาหาเลี้ยงชีพพอได้เพราะอะไรเพราะได้วิชาไปเนื่องจาอยู่บริษัทก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพออราะเหตุใดเพราะว่าเราได้ทํางานกับบริษัทอันนี้ว่าวิทยาฐานแล้วก็ธรรมทานก็คือให้ธรรมะแนะนําสั่งสอนอย่าทําเรื่องบาปเรื่องกรรมนะลูกหลานนะ ให้ตนเป็นคนดีนะให้สร้างบุญสร้างกุศล น, นะบาปบุญคุณโทษมีจริงนะนรกสวรรค์มีจริงนะตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานนะอันนี้เคืว่าให้ธรรมทานเอาทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวเรียกว่าธรรมทานอันนี้ว่าข้อที่สี่คือว่ า, อ, อ, วาอภัยทานคือการอยู่ด้วยกันลหลายหคนอย่างพวกลูกหลานทําการทํางานคนนั้นพูด ผิดใจบ้างคนนั้นทําออกมาไม่สบายใจบ้างอย่างนี้แ่ะเพราะหลายคนแต่ต่างคนก็ต่างให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือโทษโกรธเคืองกันไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้เราว่าอภัยยถานเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันต้องมีฐานะคือต้องเสียสละจึงจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นจุขได้ และก็ศีลก็ ค, คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลไม่คิดฆ่ากันไม่คิดฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่คิดฆ่ากันไม่ขโมยของกันเคารพสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกันไม่โกหกกันแล้วก็ไม่ดื่มสุรอาอันนี้ละศีลศีล น, น, นี่เป็นพื้นฐานของคนดีถ้าผู้ใดมีศีล พระพุทธเจา้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าผู้นั้นเป็นบัณฑิตผู้นั้นเป็นนักปราชญ์เป็นคนดีแต่หากว่าคนที่ขาดศีลแปลว่าคนนั้นเสื่อมหรือว่าคนนั้นด้อยคุณภาพลงไปแล้วถ้าหากว่าไม่มีศีลเลยอันนั้นแปลว่าพาลชนเป็นคนผ่านเพราะนั้นให้พวกเราตรวจตราดูตนเองนะลูกหลานนะข้าพเจา้าไม่ฆ่าสัตว ข้าพเจ้าไม่ขโมยสิ่งของของคนอื่นข้าพเจ้าเคารพสิทธิสามีภรรยาของคนอื่นเขาก็ต่างคนก็ต่างมีให้เคารพสิทธิ์กันข้อที่สี่อย่าโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาอเ น, น็ก้สินข้อที่หสุราเมรยะอย่าถึงสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอย่างบริษัทของพวกเราให้ดู เจ้าของท่านเป็นแม่พระอยู่แล้วท่านเมตตาพวกเราลูกหลานอยู่แล้วเวลามาทำการทำงานอย่าดื่มของมืนเมาให้เป็นผู้มีสติสมบูรณ์ถ้าว่าคนผู้ใดก็ตามดื่มสุราเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติพอขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยของใครก็ได้ ลาลาประรวงสามีภรรยาของลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนดื่มโุราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะลูกหลานนะวัยขนาดนี้ทําการทำงานขนาดนี้ถ้าเป็นไปไดนะ้ต้องคิดดุให้ดีนะไม่มีใครที่จะรักเรายิ่งกว่าตัวของเราเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนะี่ยถ้าว่าเราดื่มโุดาเข้าไปแล้วขาดสติแล้วเราจะทําความชั่วเสียหายให้กับตนเอง ่พอสั่งเมาสุราเข้าไปแล้วกนนั้นแหละบางทีเขาอยู่ในคุกในอยู่ในตารางหรือว่าสิ่งที่ไม่ควรทำก็ทำผ่านไปแล้วก็ททำให้ตัวเองติดคุกติดตารางหรือว่าหนีกฎหมายหนีตํารวจของเขาสิ่งเหล่านี้เพราะเหตุไหไรเพราะเราดื่มสุราคะนั้นหลวงพ่อว่าลูกหลานทุกคนนะ ถ้าหาว่าเป็นไปได้งดตัวนี้ได้ดีที่สุดนะงดตัวนี้ได้ดีที่สุดคือจุราเนี่ยนะให้ฟังเอาไว้นะลูกหลานนะถ้ า, าว่าผู้ลูกหลานจะเป็นคนดีจะตั้งตนตั้งตัวขึ้นมาจุรานะให้งดได้ดีที่สุดนะอันนี้ก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนาภาวนาเนี่ยอยากจะให้ลูกหลานทำเหมือนกันนะเพราะคนที่คนเราที่มีสติสัมปชัญญะ คนมีสติสัมปชัญญะเนี่ยอยู่ในสถานที่ใดดีทั้งหมดถ้าว่าคนขาดสติคนปั๊มปมเปอเปอําการทํางานผูดอย่างหนึง่งไปอย่างหนึ่งเน่แล้ ว, ว่าคนขาดสติอันนั้นไม่ดีคนที่จะมีสติได้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านว่าให้ภาวนานะลูกหลานให้ภาวนาก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยก่อนที่เราจะนอน ไหว้พระสกอดอรหังสวะาคาโตสุปฏิปันโนพวกเราเป็นพุทธาศาสนิกชนเป็นพุทธมาม ก, กะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธาาเจ้าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาของพระพุทธาศาสนาเวลาเราจะหลับจะ น, นอนเราต้องไหว้พระสกอดหันหน้าหันศีรษะเวทังหมอนน่นไม่มีถึงจะไม่มีพระพุทธโลกอยู่ตรงหน้าเราเห็นน้อมจิตล้ำลึกถึงกล่าว พระพุทธเจ้าพุทโธธรมโมสังโฆน่ยหลวงปู่ล่าท่านเคยสอนสมัยหลวงพ่อเป็นเนนน้อยนะท่านบอกว่าเวลาก่อนนอนต้องกราบไหว้พระทุกวันนะถึงจะไม่มีพระพุทธลูกอยู่ตรงหน้าแต่พระพุทธยุพระพุทธรูกเนี่ยอยู่ในใจของเราพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพา น, นังข้าพรเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อพระนิพาน หลวงปู่ท่านสอนอย่างนั้นจากนั้นก็อะรหังสวาคัโตสุปฏิปันโนและก็นับโมจจะขอหนอบนอบ้เพระปู่มีพระภาคจากนั้นก็พูดทางธรรมัง ส, งงสังขังสรณงคัจฉามิดุติยำปิตาติยำปิตนำพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็อุทิศเรียว่าแผ่เมตตาแผ่แผ่เมตตาอะหังสุขิโตโหมินิตุขโขวมิก็ได้ หรือแผ่เมตตาเป็นภาษาใจของเราก็ได้วะข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆวิญญาณด้วยเธิดไอ้อันนี้ก็คือแผ่เมตตาให้แกสรพสัต ท, ทั้งหลายคือเราจะไม่พยาบาทอาฆาตจองเวทกับใครๆทั้งหมดในจักรวาลนล คือให้เป็นมิตรเป็นสหายถ้าเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอันนี้แหละอันนี้คือครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวเพราะนั้นขอให้ลูกหลานปฏิบัติอย่างนี้จากนั้นกนนนนะ็นั่งภาวนาอะไรทีน่ะนั่งภาวนาไม่ยากนะลูกหลานนะไม่ได้ตั้งคงตั้งคายไม่ได้ตั้งครูตั้งคันอะไรทั้งหมดละ่ะจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิเหมือนพระพุทธโลกเลยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย เมื่อขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอสักก่อนนะอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลุงปู่ลุงตาท่านสอนนะปนมือขึ้นระหว่างอกสักก่อนไหว้ครูสักก่อนพุทธโพธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นอมมือลงแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโพพุทโธพุทโธเราจะตั้งนาฬิกาไว้ก็ได้ข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาสักสิบนาทีหรือ15บห้านาทีหรือหนึ่งชั่วโมง ถ้าว่ามีเวลาว่างหนึ่งชั่วโมงก็ได้นี่แหละวิธีการนั่งภาวนาไม่ยากนะลูกหลานแต่เมื่อเราฝึกในการนั่งภาวนาและจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบนิ่งแล้วนั่นเราจะมีความสุขออมีความสุขกายสุขใจนัตทิสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นเพราะนั้นขอให้ลูกหลานฝึกหัดนะเรื่องนั่งสมาธิ ไม่ใช่ของกูบาอาจารย์ไม่ใช่ของพระอย่างเดียวนะมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนถ้าว่าพวกเราฝึกหัดนั่งสมาธิต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นผู้สูงอายุขึ้นมาเนะี่ยโรคอัลไซเมอร์ก็จะไม่ค่อยมาเยือนเราเราก็เป็นผู้มีจิตใจมั่นคงไม่กลัวอะไรไม่กลัวตายพูดง่ายๆเพราะว่าเราภาวนา จิตใจของเราอยู่กับตัวมีสติสัมปชัญญะ เ, เมื่อเท่าแกชลา เ, เราจะไม่ลุ่มลุ่มหลงหลงลืมลืมลักษณะอย่างนั้นหละ เ, เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะไม่เศร้าโศกไม่ทุกข์ไม่โศก เ, เมื่ออายุกแกเท่าชลาหมา เพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกๆคนเนะีอันนี้เรื่องภาวนาเนะ่จากนั้นก็การเป็นอยู่เท่เนี่การเป็นอยู่ของพวกลูกหลานการทำมาหาเลี้ยงชีพยอย่างพวกลูกหลานทำการทำงานท่านี้นะให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้จะไปใช้สุรุ่ยสุร่ายจนเกินไปในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะว่าอุดานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยัน าราคาสัมปทาเมื่อหาทรัพย์สมบัติด้วยความหมั่นขยันเมื่อได้เงินเดือนมาแล้วเราต้องเก็บต้องรักษาเอาไว้เราให้ใช้ใจ่ายให้เป็นเงินเดือนของเราแต่และเดือนเราได้เดือนละเท่าไหร่เราจะใช้ใจ่ายเท่าไหร่เราต้องแบ่งเอาไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องฝากธนาคารเอาไว้ฝากไว้เพื่ออะไรเพื่ออนาคต บางทีมีความจำเป็นพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปในอนาคตอนาคตมันของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราต้องเก็บเอาไว้เพื่อปักกันตัวของเราถ้าเรารักตัวของเราเราก็ต้องมีสิ่งที่ปักกันไม่ใช่ว่าเราได้เมื่อตอนไรใช้หมดเนี่ยอิลุยชุยแชกไปหมดอันนั้นแปลว่าผู้ใช้เงินไม่มีวินยัยไม่มีวินัยในการใช้จ่าย อันนี้ให้ลูกหลานทั้งหลายคิดนะเมื่อมาทำการทำงานแล้วก็ให้รู้จักเก็บถ้าว่าเราไม่รู้จักเก็บนะเหมือนกับตุ่มหรือกับระป๋องก้นรั่วอย่างั้นนะ่ะเราหมั่นขยันตักน้ำมาใส่แต่กระป๋องมันก้นรั่วนะเทเทอะไรก็รั่วรั่วรวใจของเรารั่วกเหมือนกันนะนะั่นอ่มันเก็บอะไรไม่อยู่เพราะฉนั้นเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นน ะ, ะเราต้องเก็บแบ่งให้เป็นส่วนๆ ค่าอาหารเท่าไรค่าลูกไปเรียนหนังสือเท่าไรเราต้องแบกแต่ส่วนหนึ่งต้องเก็บเอาไว้เพื่ออนาคตของพวกเราเนี่าอรคษาสัมปทากัลยาณมิตรคบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนที่ไม่ดีอย่าไปคบคนนักเลงดื่มสุรานักเลงการพนันอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าว่าพวกเราไปคบคนไม่ดีเราจะเป็นคนไม่ดีไปด้วยนะ อันนี้เราว่ากัญญาณิิตตาสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ อ, อย่าไปต้มตุนหลอกลวงเขามาเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้ า, ท, าท่านแนะนําสั่งสอนอย่างนี้นะลูกหลานทุกคนนะคุณแม่ของพวกเราเนี่ยนะแม่พระของพวกเราเนี่ยท่านดูพวกเราให้พวกเราได้มีหน้าที่การงาน แล้วก็พร้อมกันทุกคนก็มีมีเงินมีเงินตามสถานะถ้าเราพยัน เ, เราก็ต้องมีเงินแล้วก็พร้อมการก็ขอให้ลูกหลานทุกคนนะให้ซื่อสัต์สุจริตต่อหน้าที่การงานของตนเอง เ, อเมื่อทำการจริงไหนทางานที่ไหนมอบหมายที่งไหนให้ทำเราต้องทำให้ดีที่สุดถ้าเมื่อเราทำดีที่สุด บริษัทของเราจเจริญรุ่งเรืองบริษัทของเรามีชื่อมีเสียงขึ้นมาสินค้าของเราเดีมีคุณภาพนะ เ, เราก็มีเงินมีมีเงินดีขึ้นมาอีกเหมือนกันนะแต่ถ้าว่าสินค้าของเราไม่ดี เ, เมื่อส่งออกไปตีกลับคืนมาแล้วบริษัทของเราจะเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะคนในบริษัท ไม่ตั้งใจทำการทํางานในสิ่งเหล่านี้นะไม่ว่าอยู่ในวงการไหนอย่างพระสงฆ์ก็เหมือนกันภูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าวัดสงฆ์พระสงฆ์องค์ไหนอยู่วัดไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในธรรมก็เป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายที่เขาไปเกี่ยวข้องไม่ว่าสถานที่ไหนละ่ะอย่างพวกเราเหมือนกันสินค้าของพวกเราเถ้าเราทาดีก็เป็นที่ยอมรับของผู้คนอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให ทุกคนนะการครบค้าสมาคมอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเป็นชาดกให้ฟังนะมีชาดกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านปาราบเรื่องพระภิกษุการครบค้าสมาคมท่านบอกว่าคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละสมัยขนาดคบม้าคบกับคนก็ยัง ก็ยังเสียพระสงฆ์เลยถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าม้าคบกับคนจึงเสียพระพุทโธอง์บอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพมทัศน์ของราชสมบัติในกรุงพาราณสีท่านมีมา้าม้าส่งม้าคือม้าสมัยก่อนมีช้างมีช้างมีมา้าเป็นสําหรับใช้ในสงครามนะม้าก็ใช้ในสงคราม ช้างก็ใช้ในสงครามแต่ในมีม้าใช้ในสงครามกม็มีบุริลดที่เลี้ยงม้านายหัตถารย์ผู้เลี้ยงม้า ม, ม้าตัว น, นั้นก็โอ้เป็นม้าทรงของพระราชาต่อไปอนายผู้เลี้ยงม้าคนนั้นอะ่ะก็เลยไม่สบายป่วยก็เลยลาลางานลาหยุดไปเลยแล้รพวกนั้นจ้ะ พระเจ้าแผ่นดินก็เลยเอา้าวจะเอาใครมาเลี้ยงม้าแทนเออก็เลยเห็นว่าคนหนึ่งเป็นคนขาเป๋คนถาเปเา๋คนเดินขเหกขเหก่เออแต่ว่าเป็นคนรักม้ามากฉเฉลียวฉลาดทุกอย่างรู้เรื่องของม้าทุกอย่างเออคนก็ลงมติกันว่าเนี่ยเอานายนี่แหละเป็นคนรักม้าแต่ว่าเออเป็นขาพิการเอามาเลี้ยงม้า แต่ในม้าพลาชานเป็นม้าที่ฉลาดนะเออเวลาไปจูงม้าออกไปกินหญ้าหรือไปอาบน้ำเออพอเขาก็ไม่ได้ขี่ม้าใชจูงไปเออเวลาเดินนําหน้าม้า ก, ก็ทำท่าขาเปะใชเออต่อมาม้ามัน ก, ก็มองเห็นเอ๊ะเวลาเห็นคนหาเปะต่อมามากก้าจะนั้นก็เลย มันเห็นคนเจ้าของเดินขาเป๋เลยม้าก็เลยเธเดินขาเป๋ด้วยเธนี่เออพยายามทีแรกก็เดินเดินขาเป๋ยดยหน่อยๆต่อมาเห็นเดินเออขาเป๋หนักเข้าทธนี่เออทางพระราชากับพวกอํามหาธลายเอ๊ะม้าสรงของเราเนี่ยทำไมเดินอย่างนี้วะเออไปตรวจซิเอาหมอแพทย์หลวงไปตรวจ ด, ดูซิเอาแพทย์หลวงมาตรวจคําดูขาเท้าของมัน ก็ปกปติว่ามันเจียบหนามมันก็ไม่ใช่ดูอะไรทุกอย่างก็สมบูรณ์หมดทุกอย่างแต่เวลามันเดินมันเดินขับเพกคับเพกคับเพกฮะเดินไม่ไม่สมบูรณ์เนะแต่นี้พระเจ้าแผ่นดินก็เลยเรียกโปโลเฮดตายจานเป็นผู้เป็นผู้มีปัญญาใครเขาแบบเป็นองค์ข้ามนตรีอยู่ดังทุกวันนี่แหละคํามีเรื่องอะไรก็ต้องเป็นที่ปรึกษาของบาราชาร์ใช่ไนหะองค์ก็ามนตรีเนะี่ยแต่นี้ใน ปโปรหิตราจาย์นี่ก็มานั่งสังเกตดูงั้นอ่ะเอ๊ะม้าตัวนี้มันทําไมมันเดินขาเปกป่อนนึกได้เอ๊ะม้าตัวนี้มันเป็นม้าแสนรู้เนี่ยเออมันต้องเรียนรู้กับคนที่มาเกี่ยวขอ้องคนในที่เลี้ยงม้าคนนี้นะ่ะเนี่ยมันเดินขาเปกมาเดินขาเปกเพราะฉะนั้นมันคงจะเกี่ยวกับคนเดินหรือคนนี้ก็บม้า ในหัตถาจารย์ก็เอาเปลี่ยนใหม่เอาคนที่รูปร่างท่าทางองค์อาจเดินแบบสมาร์ตมาเลี้ยงม้าพอเนั้นมาเลี้ยงม้าอีกไม่นานประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ม้าตอนนั้นก็เลยเดินปกตินี่แหละเพราะพรุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสไปว่าคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละเพราะนั้นถ้าเราครบกับคนกินเหล้าเมายาอีกสักวันน่เราก็จะติดตาม เราจะเป็นคนกินเหล้าเมายากับเขาถ้าเราเป็นคบคนการพนันอีกสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นการพนันกับเา้าถ้าคบกัคบคนที่เป็นเจ้าชู้อีกสักวันนึงเราก็จะเป็นนักเลงเจ้าชู้กับเา้าเซ่งเหล่านี้ขอให้ลูกหลานทั้งหลายเลือกคบกันรยานามิตรเลือกคบคนดีเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าบนว่า อย่าไปคบคนผ่านอย่าไปคบคนชั่วอย่าไปคบคนนักเลงหัวไม้ให้คบคนดีให้คบกัลยะาณมิตรนี่นี่ว่าอย่าไปคบคนผ่านาเซวนายาบาลานังบัณฑิตานันจะเซวนาให้คบบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าพวกเราครบบัณฑิตนักปราชญ์และมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเพราะนั้นขอให้ลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านนะ ที่หลวงพ่อได้กล่าวสัมมนธนิยกคาถาแต่วันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภรีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกคณะจัทธาญาติโยมลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าภาพขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภาะปฏิพานธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกปาการเทิน